ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังประธ ร, รมคำสั่งสอนของพระโพธิยานเถระหลวงพชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าคงเรื่องสัมมาส ม, มาธิ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 นั่นผู้รู้บอกอยู่ตรงนั้นบอกให้รู้ตามความจริงเรื่องจิตมันเป็นของมันอยู่แล้วอย่างนี้มันก็สงบลงไปเมื่อไม่สงบเราก็ ย, ยกเป็นวิตกขึ้นมาตั้งใหม่ได้พักหนึ่งแล้วมันก็สงบอีกหน่อยมันก็เกิดวิจาร์วิตกวิจาร์มันเป็นอยู่อย่างนี้วิจารไปตามอารมณ์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 ให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ในใจของเราเรื่องวิจารณ์นั้นมันก็ไม่มีอะไรถ้าจิตเราหยุดวุ่นวายเช่นนั้นเรื่องวิจารณ์นั้นมันจะเป็นเรื่องซอกค้นหาธรรมะถ้าเราไม่ซอกค้นหาธรรมะมันจะไปเกิดวุ่นวายอยู่ตรงนั้นความเป็นจริงวิตกแล้วก็วิจารณวิตกแล้วก็วิจารณ์วิจาร์มันค่อยๆละเอียดไปเรื่อยเรทีแรกมันก็วิจารณ์ปราบรายทั่วๆไปพอเรารู้ว่าอาการของจิตมันก็เป็นอย่างไั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 ทิ้งไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดแล้วคือมันทิ้งไปทิ้งไปเหลือเอกคตากับอุเบคามันก็ไม่มีอะไรมันจบอย่างนั้นเมื่อจิตดำเนินการประพฤตปฏิบัติ